ก็ความเจริญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รลวงปโพทยานในวันนี้ได้กล่าวถึงเรื่องปีติสัมโพชงองค์ธรรมที่นำผู้ประพฤติปฏิบัติให้ตั้รู้ธรรมคือปีติแต่ว่าปีตินั้นเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากการใช้สติธรรมวิจัยและความเพียร หรือสติส ม, มจัญญาด้วยความเฉียดเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติธรรมะในกรณีของการใช้สตินำมันก็ออกมาในแนวของสมถะกรรมฐานรือก่อให้เกิดความสงบทางกายทางวจจาที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือทางใจก็เป็นการสงบนิวรณนทั้งห้าประการอย่างที่ทราบกัน ในกรณีที่ใช้ทำวิจัยหรือใช้สา้สัมปชัญญะนำก็ใช้การพินิจพิจารณาถึงขันธ์ทั้งห้าว่าตกอยู่ในกฎของปัจจัยลักคือเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นหน้าตาจนเกิดความรู้เห็นจริงตามนั้นปีติก็เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากความสงบก็ได้สืบเนื่องมาจากความรู้ก็ได้ ปิติจึงเป็นผลรวมเมื่อเกิดปิติแล้วจิตใจของบุคคลก็จะฟูขึ้นตามปกติแล้วก็ยังใช้งานไม่ได้จิตใจจะต้องสงบลงถึงจุดหนึ่งที่เรียกว่าปัสสธิหันเรียกว่าปัสสธิสัมโพชณงเหมือนกันเรียกว่าองค์ธรรมที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติตได้จตรู้ธรรมคือปัจสธิ เป็นความสงบที่ยังลึกทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจกายวาจานั้นที่จริงสงบมาตั้งแต่ศีลแล้วหมายความว่าเมื่อบุคคลได้รักษาศีลมีศีลห้าเป็นต้นไปอาการทางกายทางวาจาก็าจะสงบจากอกุศลบาปธรรม หมายความมาโดยปกติทั่วไปท่านก็คงพูดจาปราศัยเช่นยิง่งยิ่งเดียวกับคนทั้งหลายคงกินดื่มทำพูดคิดเช่นเดียวกับคนทั้งหลายเพียงแต่ว่าอาการที่ออกมาทางกายทางวาจานั้นไม่เป็นไปตามอำนาจของอภิสุทธ์ไม่เป็นการกระทาที่เป็นการประทุษร้ายต่อร่างกายของบุคคลดื้อ ไม่เป็นการพูดมันเป็นการประทุษร้ายต่อตัวตนของบุคคลเราเองก็สรุปว่าถ้าเราเทียบถึงเทวธรรมคือธรรมะที่ทำคนให้เป็นเทวดาจึงกล่าวไว้ในวันก่อนสิบข้อนั้นอาการเหล่านี้ก็มาอยู่ที่เจ็ดข้อแรกก็คือเป็นการสำรวมระวังงดเว้นจากการทาสัตว์มีชีวิตได้ตาย ส, ร like ส, ส, ส, e ส, สัสรวมระวังงดเว้นจากการถือสินของ่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ด้วยการแหนค์ขโมยสัมรวมระวังงดเว้นจากการปิดปิในทางประเวณีสัมรวมระวังงดเว้นจากการพูดเท็จสัมรวมระวังงดเว้นจากการพูดส่อเสียดคือยุยงให้เกิดความแตกแยกสัมรวมระวังจากการพูดคำหยาบและสัมรวมระวังจากการพูดเพื่อเจี่ยเหลวไหล หันมาดำรงชีวิตยอยู่ด้วยหลักของเมตตาธรรมต่อสัตว์ทั้งหลายและการประกอบอาชีพในทางที่ชอบธรรมโดยหลักของสัมมาชีพมีความสารวมระวังในการทั้งหลายคืออย่างน้อยที่สุดระดับศีลเนี่ย้วมีพัญญาไม่นอกใจกันในความมัาสามีก็ มีสถารัสโดจินดีเฉพาะปัญญาของตนเองปัญญามันยาก็มีปฏิวัติคือพักดีเฉพาะสามีของตนเองแล้วก็พูดเฉพาะคำที่เป็นคำศักดิ์คำจริงคำส่งเสริมสามคัคคีประสานสามคัคคีกระชับสามคัคคีคำที่ไประ อ, อนหวานในคคำที่มีสารประโยชน์ ถึงถาหากเรามองที่องค์ธรรมแล้วจะเห็นในวา่ามีการเมตตาต่อคนก็มีปัญญากรรกับในการทาในการพูดเมตตาเป็นอาการของความบริสุทธิ์จากกิเลสประเภทโลภะโทสะปัญญาเป็นความบริสุทธิ์จากกิเลสประเภทโมหะ ซึ่งก็หมายความว่าด้วยคุณธรรมทั้งสองประการนี้เองทำให้จิตใจของบุคคลเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีก็กลายเป็นการสำรวมระวังทางกายกระทางารรคหรือการสงบที่ลึกลงถึงภายในนั้นที่จริงก็คือสงบจากความคิด ที่เป็นไปตามอํานาจของนิวรณ์ทั้งห้าประการนิวรณ์ทั้งห้าประการนั้นคือกิเลสทั้งหลายเวลาเกิดขึ้นรุ่มรุมใจก็ท่านเรียกว่านิวนรณ์ด้วยกันไม่ว่าเดิมทีจะเรียกชื่ อ, อยังไงก็ตามแต่พอเกิดขึ้นครุ่มรุ่มใจก็จะเรียกว่านิวรณ์บางครั้งก็เรียกว่าปปันจะธรรมคือธรรมะที่ตามไม่เล่นช้า สูญเสียเวลาไปในการครองชีวิตเป็นอันมากนิวรนั้นก็คืออาการที่จิตใจกวายฟ้าปรารถนาเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นในวัตถุกรรมทั้งหลายจี่ใจเขาไปกำหนดว่าหน้าใครหน้าปรารถนาน่าพอใจแล้วก็อาการผูกอาคตาพยาบาทคือจองเวร ซึงถ้าหากว่าเราไปเทียบกับกุศลกำหดสิบประการก็คือใจในขณะนั้นไม่โลภอยากได้ของของบุคคลอื่นแต่ว่าลึกลงไปจนถึงสงบความโลภได้ระดับของกุศลกำหดนั้นความโลภอย่างปรากฏอยู่ภายในใจแต่ไม่โลภอยากได้ของของบุคคลอื่นก็แสดงว่าเป็นความสงบระดับหนึ่ง ระดับไม่ให้มนโนมันทุจริตคือใจไม่ให้ความคิดมันเป็นทุจริตแต่การสงบระดับนิวรนั้นอาการของกิเลสไม่ปรากฏที่ท่านอุปมาว่ามันเหมือนรเราสีลาไปทับหญ้าไว้ก็ไม่ได้หมายความมาย่าไม่มีเพียงแต่ว่าในขณะนั้นถูกสีลาทับเอาไว้ ยาก็อนจะไม่ปรากฏแก่สายตาของบุคคลทั้งหลายทั้งๆ ท, ท, ท, ที่เขามีอยู่ใต้พื้นศิลา น, นั่นเองจิตใจของบุคคลที่สงบจากนิวรณ์ก็มีลักษณะอย่างนั้นคือจะไม่เห็นอาการของนิวรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือใจของบุคคลนั่นเองจะไม่เห็นอาการของนิวรณ์แต่นิวรณ์ก็สงบไ ว, ดว้ด้วยกําลังของฌานด้วยกําลังของสมาธิ แต่ากาชาญเกิดเสื่อมสมาธิเกิดเสื่อมนิวรณ์ก็ปรากฏขึ้นมาก็สู้กันต่อไปใหม่นิวรณเหล่านี้ทรงจำแนกแสดงไว้ในนิวรนาปภะคือหมวดือว่า้วยนิวรนในธรรมาธุวัชนาสติปัฏฐานที่กล่าวมาแล้วในชั้นนี้ที่จริงเป็นความสงบไปเลย หมายความว่าอาการของนิวรณนไม่ปรากฏไปเลยแต่ว่าในภาคของการปฏิบัตินั้นส่งสอนให้ดูอาการของจิตอาการของนิวรณ์ภายในจิตว่าจิตเราในขณะนั้นๆมีนิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่งเกิดขึ้นหรือไม่ถ้าเกิดก็รู้ตามความเป็นจริงว่านิวรณข้อนั้นข้อนี้นนเกิดขึ้น และนี้วรณแต่ละข้อนั้นเมื่อก่อนมันยังไม่เกิดเดี๋ยวนี้มันเกิดมันเกิดขึ้นมาได้ด้วยเหตุอะไรแล้วนี้วรที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยสามารถจะดับได้ยังไงโดวยวิธีใดและเมื่อดับไปแล้วจะกําเริบไม่ได้อีกโดวยวิธีใดหมายความว่าดับได้เด็ดขาดโดวยวิธีใด การดับดได้เด็ดขาดนั้นไม่ใช่ระดับของสมาชิแต่เป็นการดับระดับของวิปัสสนาปัญญาคือดับด้วยอริยมรรตที่สามารถขุดรากถอนโคนของกิเลสให้หมดไปจากจิตใจได้นิวรณ์ข้อแรกคือการมาฉันนั้นมันเกิดขึ้นมาจากจิตที่ไปกำหนดอารมว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจ กำหนดรูป่าสวยเสียงไมาไผร อ, รอกรินมะอมรสอร่อยสัมผัสน่าจะต้องตลอดถึงอารมณ์ที่น่าเสียนนึกเหนียวนึ ก, นนกตึกนึก เ, เกิดขึ้นแบบบานบันเทิงใจนิวรณข้อ น, นี้ก็บังเกิดขึ้นทีนี้ที่ยังไม่บังเกิดเนี่ยที่ที่บังเกิดขึ้นแล้วสามารถสงบด้วยวิธีใดในมันมีอยู่สองระดับ ดับหนึนเป็นการสงบด้วยการพยายามมองให้เห็นความปฏิคูลน่าเกลียดของสิ่งที่กำหนดว่าน่าใคร่น่าปราศนาน่าพอใจหมายความมามองพวกวัตถุกรรมทั้งหลายคือรูปเสียงกลิ่นรสผลธภัพเห็นว่าในแง่ของความเป็นจริงแล้วสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสังขาธรรมซึ่งเกิดขึ้นมาจากปัจจัยปรุงแต่งในส่วนผสมกับดินน้ลาลมไฟอากาศ แต่มีชีวิตก็มีวิญ ญ, ญาณาอยู่ด้วยถ้าไม่มีชีวิตก็ไม่มีวิญ ญ, ญาณนาตามันเกิดขึ้นดำรงอยู่แล้วก็แตกสลายไปด้วยเหตุปัจจัยก็จะบรรเทาความกำหนัดความรักคร่ความพอใจลงไปแต่ทีนี้ถ้าหากว่าจะดับไม่มันขาดนั้นเป็นเรื่องระดับพระริยบุคคลคือระดับพระนาคามีจึงจะไปละขาดได้ เพราะว่าเป็นนิวรณ์ที่ถึงจุดหนึ่งมันเป็นสังโยชน์ก็เรียกว่าการมราคาสังโยชน์มีใจกำหนัดยึดติดในวัตถุการมทั้งหลายในแนวที่ละเอียดจริงๆคือไม่ยึดติดในเชิงรูปธรรมนั้นต้องเป็นพ ร, าาระอรหันต์นั้นเองแต่ในที่นี้ท่านพูดว่าระดับพระนาคามีวรระไห้ การต่อไปคือความอาฆาตพยาบาทถามว่ามันเกิดขึ้นยังไงเมื่อยังไม่เกิดนี่เกิดขึ้นยังไงเกิดขึ้นจากการมองด้วยปฏิฆะสัญญาคือมองด้วยความไม่ชอบจะมองรูปไม่สวยเสียงไม่ไพเราะกลิ่นไม่หอมรสไม่อร่อยสัมผัสไม่น่าจะบ้องแล้วเกิดไม่พอใจไม่ชอบใจในคนในคนในสัตว์ตัวนั้น ซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยเขาเราพูดถึงในสิ่งมีชีวิตแล้วมักจะพูดกันในคนแต่พึงสังเกตว่าความมาฆาตพยาบาทเป็นกิเลสที่มันมีโมหะผลอยู่เยอะเพราะบางครั้งบางคราวความมาฆาตพยาบาทมันไม่มีผลอะไรในตัวของมันเองคนมาฆาตพยาบาทคนโกรธได้แม้แต่ฝนตกแดดออก หรืว่าเดินสะดุดอะไรก็โกรธสิ่งเนั้นได้นั้นแสดงว่ามีอาการของโมหะอยู่เยอะตัวหลักของการบัติจริงๆเนี่ยท่านสอนเฉพาะเรื่องของเมตตาแต่เมตตานั้นฝึงสังเกตว่าเราก็ไปเมตตาในสิ่งที่ไม่มีชีวิตไม่ได้ก็ทํายังไงกับสิ่งไม่มีชีวิตก็อย่าไปโลภมันสิ่งที่มีชีวิตก็ให้เมตตาเอาไว้ เป็นการสร้างความรู้สึกที่เรียกว่าปรัถนาเข็นการไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ปะทุสลายกันของสรรพชีวิตทั้งหลายก็ให้แต่และชีวิตนั้นอยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่ฐานะของตนนิวรณข้อนี้เมื่อละได้และขาดละได้ยังไงเรียกว่าละให้ได้ขาด ล่ขาดเป็นระดับอริยมรรคสามัญชนทั่วไปละนิวรณ์ข้อนี้ไม่ได้นั้นก็คือต้องเป็นพระอนาคามีเช่นเดียวกันเพอาในชั้นที่ละเอียดท่านเรียกว่าปฏิฆาหนุใสหรือปฏิฆานุใสหรือว่าปฏิฆาสังโยชนเป็นอาการกระทบกระทั่งทางใจหมุดหิดรำคาญงุ่นง่าน ไม่พอใจแต่ไม่ถึงก็โกรธเกี้ยวกราดอย่างสามัญชนทั่วไปเพียงแต่ว่ารู้สึก ก, กุนิดรำคาญไม่พอใจอะนรเนี่สิ่งกิเลสประเภทที่ละเอียดจังก็ละได้ด้วยอนาคามีมัตสผลคนที่ไม่โลภไม่โกรธเนี่ยมันไม่ใช่คนธรรมดา ไม่โล้ไม่โกรธไปเลยเด็ดขาดไปเลยเนี่ยต้องเป็นพระรยบุคคลนังกล่าแล้วก็ทรงสอนให้พิจารณาเห็นโทษของนิวนรณแต่ละข้อนิวรณ์ข้อแรกนั้นเหมือนกับเราตกเป็นหนี้เป็นสินบุคคลดื่นนิวรณ์ข้อที่สองนั้นเหมือนกับเราเจ็บ่ข้ได้ป่วยประสบความทุกข์ทรมานด้วยตัวของเราเอง ไม่มีใครแบ่งเบาให้แก่เราได้ในวร้อที่สามที่เรียกว่าถีนิมิ tha คือม่วงเหงาหานอนซึ่งสืมหน่อยเงาตั้งๆเป็นอาการของกิเลสประเภทโมฆะแต่วันไปผสมผสานกับร่างกายคือสุขภา พ, พลาอะใหม่เราด้วยมันเกิดมาจากกรีนะจิตคือจิตมันหดหู่ เป็นจิตที่ไม่พร้อมจะศึกษาจะประพฤติปฏิบัติจะสัมผัสผลแห่งธรรมะทำให้หมดอะไรตายอยากคือมันสิงๆอยู่สิงๆไปธรรมะที่มันเกิดขึ้นมาได้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคือเกิดขึ้นมาจิตที่หัวทุดังกล่าวแล้วขาดความบากบันหมันขยันในภารกิจการงานเรื่อยๆเฉยๆไป แต่ไม่ร่างกายมันไม่พร้อมจิตก็ไม่พร้อมกายก็ไม่พร้อมจิตก็ไม่พร้อมจึง เ, เกิดอาการโหดหู่ดังกล่ a, กาววันนิวรณข้อ น, นี้เป็นนิวรณที่ละยากเพราะว่ามันไปเกี่ยวกับร่างกายของบุคคลด้วยคือถ้าสุขภาพภารณามัยมีปัญหาแล้วเราก็ง่วงนอนง่วงงูลได้ง่ายจึงละได้ที่พระราหันเท่านั้น ข้อต่อไปก็คือนิวรณ์ข้อนี้ส่งอุปมาให้เห็นว่ามันเหมือนกับเราติดคุกคือสูญเสียความเป็นตัวกังตัวเองสูญเสียเสรีภาพถูกควบคุมสั่งการบังคับบัญชาจากผู้คุมไม่สามารถจะทำอะไรตามที่ตนต้องการได้ประการต่อไปเป็นอุทธจากขุกุจจักคือความพุ้งสั้นํำคาลทัดสายของใจ มนเกิดขึ้นมาจากเยตโสม ว, วูปะสมะคือจิตไม่ยอมนิ่งจิตมันดิ้นพล่านไปในรมนั้นอารมณ์นี้อารมณ์น้นก็คุมมันยากถ้าหากว่าต้องการจะแก้ไขให้เกิดความสงบนั้นท่านก็สอนให้ทำจิตสงบอยู่กับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่อารมณ์ที่ทำให้สงบนั้นจะต้องเป็นอารมณ์กลางๆหรือเป็นอารมณ์ดีๆอย่างตัวอย่างองคธรรมที่ว่ามาเป็นเหตุให้เกิดปีตินั้นผึ้สังเกตว่าเป็นองธรรมที่เป็นกุศลองธรรมบางอย่างก็เป็นกลางๆเช่นลมหายใจเข้าออกมาเป็นกลางๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าไปเหนียวนึกตึกนึ ก, นกถึงเรื่องที่เราไม่ชอบ แต่เรื่องที่เราไม่ชอบเรื่องที่เรารักมันฟุง้งใจไม่สงบไปใหญ่เพราะฉะนั้นท่านก็สอนอารมณ์ที่เป็น ก, ากลางๆงอารมณ์ที่เป็นกุศลอารมณ์ที่เป็น ก, ากลางๆงดึงก็หากุศลได้อารมณ์ที่เป็นกุศลก็ใกล้มันเป็นกุศลอยู่แล้วก็ดึงเข้าไปสู่กุศลได้ไง่ายแต่คนจะต้องมองเห็นโทษของุโหัจกักกุกุจักหรือความฟุ้งซ่านดำคาญว่าเป็นเหมือนกัน การตกเป็นทาสของบุคคลอื่นจะถูกบังคับใช้ลักษณะที่เรียกว่าสนตาพายคือไม่สามารถจะเป็นตัวของตัวเองได้ก็ขึ้นอยู่กันนายก็จะบังคับใช้อย่างไรตามเขาพอใจดูถ้าจานิวรนจึงเป็นนิวรนใหญ่สิ่คนละได้ก็คือต้องเป็นพระอรหันต์ แต่ความฟุ้งซ่านระดับพระอราหันต์ระดับพระอริยบุคคลนี่ไม่ฟุ้งซ่านอย่างที่เราฟุ้งซ่านฟุ้งเป็นปกติธรรมดาของจิตยอย่างน่งแต่ไม่ฟุ้งซ่านจนถึงกระํำคาญหมุดหิดเพราะงั้นตัวหมุดหิดเนี่ยตัวํำคาญตัวหมุดหิดเนี่ยพระรังคามีท่าละได้มาได้มาเหลือที่ปะโสดาบันนั้นเหลือเฉพาะ อ, อุตรจะคือความฟุ้งซ่าน แล้วข้อสุดท้ายก็คือวิจิกิจฉาความเครือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจไม่แน่ใจในคุณของพระพุทธเจ้าในคุณของพระธรรมในคุณของพระสงฆ์ในคุณของไตรศิขามันแน่ใจในเรื่องอดีตอนาคตทั้งอดีตอนาคตและกฎของปัจจัยาการวิจิกิจขานั้นเป็นอาการของโมหะ เม่อ เ, เกิดขึ้นรุ่มรวมใจแล้วก็ทำให้หลังเลไม่แน่ใจตัดสินใจลงไปไม่ได้ว่าอะไรมันเป็นอะไรถาถามมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเกิดมาจากอโยนิโสมนัสการคือเกิดจากความคิดที่ไม่มีระบบไม่มีกฎเกณฑ์ในการคิด ไม่มีหลักการวิธีการในการคิดที่ชอบด้วยเหตุผลและความดีเรื่องบางเรื่องจะใช้ความเชื่อก็ไม่ยอมใช้จะใช้ปัญญาก็มีไม่พอใช้มันก็เกิดปัญหาทั้งสองอย่างหากว่าเราไม่มีปัญญามากพอเราใช้ความเชื่อมันก็ไปได้ก็เชื่อคนในครเชื่อเชื่ อ, น อ, อในพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์ในใจสิกขา เรื่องอดีตอนาคตทั้งอดีตอนาคตกฎปัจจยาการก็เชื่อตามที่พระเจ้าทรงแสดงเอาไว้จิตใจมันก็ไปได้เหมือนกันแต่เมื่อเชื่อก็ไม่ยอมเชื่อปัญญาก็มีไม่พอใช่มันก็กลายเป็นอาการของครืบแคลงสงสัยไม่แน่ใจอยู่เช่นนี้รำไปทรงอุปมาเห็นว่ามันเหมือนกับเดินทางไกลที่ธุรั ก, กันดาล มีหลุมบ่อควักหนาอุปสรรคอันตรายอันเนกันนั้นยากที่จะแก้ไขได้เพราะในการที่จะทำไม่จิกิชาซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วให้สงบเนี่ยมันต้องใช้หลักระบบความคิดที่เรียกว่าโยนิโสมิสิการหรือคิดโดยอุบายวิธีที่ชอบโดยเหตุโดยผล ยุติโดยเหตุผลและความดีตามสมควรแก่กรณีนั้นๆในกรณีที่ต้องการจะทําลาให้หมดไปก็ต้องอาศัยบรรลุมรคผลเป็นพระโสดาบันเพเป็นสัญญุคข้อที่สองที่พระโสดาบันทัลาได้พระโสดาบันนั้นทัละความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนเป็นตัวเป็นตนมีตัวมีตนเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขา ละความยึดติดในตรงนั้นได้แล้วก็ละวิจิกิจะคือความเครื่อนแปรงสงสัยไม่แน่ใจในเรื่องต่างๆลงไปได้ทีนี้จะติดสงบจากนิวรณทั้งห้าประการล่งรางมันก็กลายเป็นอาการของปัสสุิัคือจิตสงบมันเป็นจิตพร้อมที่จะ เข้าไปอีกขั้นหนึ่งคือเป็นสมาชิคือหมายความมาหนักแน่นมั่นมั่นคงมากยิ่งขึ้นแต่นั้นเด็กเพราะฉะนั้น ถ, ถึงสังเกตว่าจิตเราที่ไม่สงบไม่ว่าในเรื่องอะไรก็ตามดนแล้วแต่ถูกอำนาจของกิเลสเขาครอบงำก้าปรุงแต่งทำให้เกิดความกระสับกระส่ายทําให้เกิดความร้ร้อนแปรผันไปด้วยประการต่างๆ แต่ยามใดที่จิตใจเรามีธรรมะเป็นหลักใจเป็นเรือนใจเป็นที่อิง ก, การใส่ข้องใจอาการของยิเลที่ทรงงันข้ามก ร, รมะทรหน้าเหล่านั้นและใกล้เคียงกันก็จะไม่บังเกิดขึ้นเช่นยกตัวอย่างมักพูดถึงเรื่องอินทรีย์ทั้งห้าประการว่าเวลาพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดใครที่ไหนก็ตามจะต้องตรวจสอบอินทรีย์ของคนเหล่านั้นเดียก่อน บางครั้งก็ส่งสร้างอินทรีย์บางครั้งก็ส่งบ่มอินทรีย์บางครั้งก็ส่งเสริมเสริมอินทรีย์บางครั้งก็ส่งปรับอินทรีย์ก็แล้วแต่ว่าสภาพาจิตใจของบุคคลตอนนั้นในขณะนั้นเป็นอย่างไรเพราะว่าเวลาธรรมะคืออินทรีย์เขาเกิดธรรมะที่ตรงกันข้ามคือกิเลสก็จะสงบ สงบได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับว่ารรมะนี่มันเกิดมากหรือเกิดน้อยเช่นสมมุติว่าศรัทธานี่ก็เกิดตั้งมั่นไม่หวั่นไหวขึ้นมาเนี่เป็นประโสดาบันไปแล้วก็จบไปไลยเคนที่ศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในในพระตันนในในระตนาไตรในไใจปิชาได้เนี่ยมันมีได้เฉพาะประสวดบันขึ้นไปแต่นั้นเองท่านผู้ฟังท่าไหร่